เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัญญมัญญปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองละในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่กามันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและหัยวัตถุละขันอันเป็นปัจจัยแก่หัถยวัตถุละหัถยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันละ มหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสละมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองละสำหรับราวสัญญาตตพรมมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวะธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอนยญมัญญปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสาละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอนยญมัญญปัจจัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งละที่เป็นภายนอก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 โดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัญหาดัตติฐียึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยนิตยปัจจัยละในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูปหนึ่งละสําหรับลาวสัญญาสตรปรมมหาภูตรูปหนึ่งละจะขายตนะเป็นปัจจัยแก่จกักขูวิญญาณละ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 แก่ขันธิกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิจยปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธิกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยชนิจตยปัจจัยสภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานารูปโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานมีหนึ่งวาระ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 ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและมหาภูต ร, รูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานอารูปโดยนิตยปัจจัยขันธ์หนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและหาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิตยปจัจจัยละขันธ์สองและหาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยนิตยปัจจัย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 สุกทางกายเป็นปัจจัยแก่สุกทางกายและทุกข์ทางกายดูปนิสัยปัจจัยทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกขทางกายและอุตุเป็นปัจจัยแก่สุกทางกายและทุกขทางกายและโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุกทางกายและทุกทางกายและสุขทางกายทุกขทางกายอุตุโภชนะ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 และปกะตูปณิสิยาได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบทสดทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทรมรรญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสง์อาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะแล้วให้ทานละทำลายสง์ สุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเป็นปัจจัยแก่ตทาที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานศีล ส, สุตะจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัย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 อุตุโภชนะได้ธรมรรคให้เกิดขึ้นเข้าผลสมาบัติสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลสมาบัติโดยปณิจัญปัจจัย6กสสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสัยะละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยตถ า, ท, าที่กรมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแล้วให้ท า, า, านสมาทานศีลรักษาโบสถ ทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นธรรมัพินยาให้เกิดขึ้นธรมสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่การมันประกอบด้วยตันหาด้วทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสุตะจะักะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาอุตโภชนะ เสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิข่าสัตว์ละทำลายสงสทธาที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานศีล ส, สุตะจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาอุตโภชนะ เสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานศีลสุตตาจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานละ บริกรรมเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณาสัญญายตนะละปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานละอากินจัญญายาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายาตนะละปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตละนิตนยตมิจชาทิฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจชาทิฐิละ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 สัทธาที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ทุกทางกายและทุกขทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานดูปณิสียปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปณิสียและปกตูปณิสียะละปะกตูปณิสียได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคโดยอุปณิสียปัจจัยบริกรรมทุติยมรรค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 อารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูป น, ป, จจกปนิสัยได้กจจกแก่ปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักโดยอุปนิสัยปัจจัยทุติยมักเป็นปัจจัยแก่ตติยมักและตัยตติยมักเป็นปัจจัยแก่จตุธมักเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่สุขทางกายดูปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่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 และวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะกว่าเพราะปลารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นปลาค้าจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้ว จิตุบาต ท, ที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทาารม์พระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งโสตคานะจิวหากายรูปที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานกลิ่นรสโผฏฐะหะไทยวัตถุโดยเป็นตภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตเป็นต้นนั้น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 โพัาพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จกักขวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและหาไทยวัตถุปเป็นปัจจัยแก่ขันธิการมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรม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 พระเสก่าหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสูโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน <c oughs> เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้นราคา จ, จึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นพระเสก่าหรือปุถุชนเห็นแจ้งโสตะและอธัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ยินดีเพลิดเพลินพราะป ร, ะรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมานต์จึงเกิดขึ้นเห็นรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานด้วยทิปจักขุวัตถุปุเรชาตะได้แก่หัตถยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 มีอย่างเดียวคืออารัมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาละทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารูความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนตจึงเกิดขึ้น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 มีอย่างเดียวคืออารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่การมันประกอบด้วยตัญหาได้ทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเสียงกลิ่นรสพทธภะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่ อ, อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปาทที่เป็นบิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถาอารมูรปายตนะที่การมันประกอบโดยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอปารทานเป็นปัจจัยแก่จักุวิญญาณและโธพธายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัย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 ได้แก่ขันที่การมันประกอบโดยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 ได้แก่ขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ ย, ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน NP เป็นปจัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ ย, ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวะตามที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ ย, ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่ตภาวะธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอปุปาทานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะแต่แก่ขันที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 ได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคละปูทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณปัจจัยกรรมปัจจัย69สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยกรรมปัจจัย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 โดยกา ร, รมัปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้ แ, แก่เจตนาที่กา ร, รมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นมิบากซึ่งกา ร, รมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานและกะตัตตารูปโดยกรรมัปัจจัย7 0ด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 สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึด ถ, ถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปากับปัจจัยได้แกข่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึด ถ, ถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแกข่ขันสามโดยวิปากับปัจจัย ละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นมิบากซึ่งกรรมันประกอบโดยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกะตัตรารูปโดยวิปากับปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกะตัตรารูปโดยวิปากปัจจัย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 โดยวิปากัปัจจัยมีอย่างเดียวคือวิปากะได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากัปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากัปัจจัย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 โดยวิปากะปัจจยัยและขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยวิปากัปัจจยัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน <S <S 1> <S 1> เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาธทานโดยวิปากะปัจจยัยมีอย่างเดียวคือวิปากะได้แก่ขัน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 และที่การมันประกอบได้ตัญหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยวิปากะปจัยมีอย่างเดียวคือวิปากะได้แก่ขันหนึ่งที่การมันประกอบได้ตัญหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากาปจัยและ ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานอรูปโดยวิปากะปัจจัยอาหารปัจจัย 7.2 สภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาแล ะ, ออ ะ, ะ ท, ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์อของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอาหารปัจจัย